เมื่อเช้าได้กล่าวถึงลักษณะของนามนามนั้นมีลักษณะคือน้อมไปในอารมณ์หรือว่าน้อมมุ่งหน้าไปไปรู้อารมณ์ถ้าคิดง่ายๆว่าทวารตาก็น้อมไปเพื่อที่จะทําจะอะไรทันทวารตานะีนามทวารตาเนี่ยน้อมไปเพื่อจะเห็นถ้าเป็นนามทวารหูก็น้อมไปเพื่อจะฟังถ้านามทวารจมูกก็น้อมไปเพื่อจะ รู้กลิ่นถ้านามทวารลิ้นก็น้อมไปเพื่อจะรู้รส ถ, ถ้านามทวารกายก็น้อมไปเพื่อรับประทบโพธพภะถ้านามทวารใจล่ะน้อมไปเพื่อจะคิดอารมณ์ทั้งหลายแหละไอ้คำว่าคิดคือรู้อารมณ์นั่นเองน้อมไปเพื่อจะรู้อารมณ์โดยประการต่างๆนั้นธรรมชาติของนามเป็นอย่างนั้นเอ่อตอนหลังจะค่อยๆวิเคราะห์ว่านามนั้นจะจําแนกเป็นกุศลอกุศลและ อพยคตะอีกครั้งค่อยไปจำแนกเป็นเหตุเป็นผลเป็นกรรมเป็นผลของกรรมอะไรเงี้ยเป็นเรื่องอีกอยาวแต่เข้าใจไว้คร่าวว่าธรรมชาติของนามคือธรรมชาติที่มุ่งไปสู่อารมณ์ีนสํำหรับที่กล่าวอยู่นี้เป็นประเภทสมถยานิกะผู้ที่เขาเจริญอยู่นั้นเจริญด้วยจิตที่เป็นกุศลก็พิจารณาสภาพจิตที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นในขณะที่ะ เข้าฌานหรือว่าขณะที่สมาธิเป็นไปกับอุปจารสมาธิเป็นไปกับอัปปนาสมาธินั้นออกจากสมาธินั้นก็มาตั้งที่จะพิจารณาไอตัวนามเหล่านั้นว่าน้ำเหล่านั้นเนี่ยธรรมชาติที่น้อมไปเพื่อจะรู้อารมณ์นี่อารมณ์ของฌานทั้งหลายโดยมากเป็นบัญญัติอารมณ์นีนะนะโดยมาก ฌานที่มีปรมาิตเป็นอารมณ์ก็มีอยู่บ้างแต่ไม่มากโดยมากมีบัญญัติเป็นอารมณ์กรรมฐานใดที่มีปรมัจตเป็นอารมณ์ระดับล่างๆนั้นจะไม่ได้ฌานเช่นเจตุธาตุววัฏฐานนี้ก็ไม่ได้ฌานอาหะเรปติกูลสัญญาก็ไม่ได้ฌานพุทธานุสติธรรมานุสติสังกานุสติสีลานุสติจากขานุสติเทวตานุสติเป็นต้นกรรมฐานเหล่านี้ไม่ได้ฌาน แต่ถ้าเป็นพวกบัญญัติเนี่ยนะกรสินบัญญัติอาณาปานะบัญญัติสุขิทัสสัตถุคิทัสสัตติยามนาปะมัชตะสัตบัญญัติบัญญัติเหล่านี้เป็นอารมณ์ของฌานได้นีนะหรือแม้กระทั่งว่าอากาศที่เกิดจากการเพิกกสินเรียกว่ากระสินุคาติมาอากาศบัญญัติหรือนัฐิภาวะบัญญัติอันนั้นเป็นบัญญัติที่เป็นอารมณ์ของ ของฌานทั่วไปถ้ารูปฌานก็มกีวิญญาณัญจายตนะก็มีอาการสาัญจายตนะเป็นอารมณ์ซึ่งก็เป็นปรมาตุสังขารแต่ว่าโดยรวมๆโดยมากนั้นพวกที่ได้กสินหรือพวกได้ฌานทั่วไปโดยมากมีบัญญัติเป็นอารมณ์เพร้นธรรมชาติที่น้อมไปเพื่อที่จะรับรู้อารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของฌานนั่นเป็นลักษณะของนาม ในการวัตถุประสงค์ตั้งกเร่เริ่มเดิมทีทําไมจึงต้องมาพิจารณานามทําไมต้องมาพิจารณารูปเนี่ยนะอัตตะาอดีกาท่านบอกว่าการกําหนดการพิจารณานามรูปโดยอัธยาศัยเดิมแท้ที่ตั้งไว้ก็เพื่อต้องการสละคืนจากนามรูปต้องการพ้นจากนามรูปทีนี้นการที่จะรู้ที่จะพ้นจากนามรูปโดยที่ไม่รู้จักนามรูปมันก็เป็นไปไม่ได้ พันพระโยคีนั้นก็เลยพิจารณาสแสวงหาที่อยู่ของน้ำอตอนแรกเนี่ยถ้าถ้ามองแบบฉะฉะกะสูตนะว่าวัตถุอารมณ์และวิญญาณธรรมชาติของวิญญาณรู้อารมณ์ทีนี้ก็สาวมาหาตัววัตถุวัตถุปุเรชาตปัจจัยของนามธรรมทั้งหลายว่านามเหล่านั้นอาศัยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะเช่นถ้าเราเห็นเนี่ยนะสมมติถ้าถ้าพูดแบบทวารตาถ้าเราเห็น นามที่อาศัยทำให้เกิดการเห็นได้อาศัยอะไรเกิดอาศัยอาศัยจักขุกใช่ไหตัวได้ยินเสียงเนี่ยนะรู้ว่าเออธรรมชาติของนามธรรมชาติที่รู้อารมณ์หรือได้ยินเสียงเนี่ยนะทำไมออตัวโสตวิ ญ, ญญาณอาศัยอะไรเกิดขึ้นจึงได้ยินเสียงก็บอกอาศัยหูจมูกที่รู้กลิ่นเนี่ยตัวตัวคณะวิ ญ, ญญาณที่รู้กลิ่นนามธทมเหล่านี้ที่รู้กลิ่นอาศัยวัตถุคือจมูกเนี่ยถ้า รู้รถก็อาศัยวัตถุคือเชิวหาเลิ้นถ้ารับผกระทบโพธาภะอาศัยวัตถุคือกายถ้านึกคิดทั่วทไปก็ใช้อา่าวัตถุคือหาทยะวัตถุก็พบหาทยะวัตถุเนี่ยนะอันนี้นี่พูดแบบถ้ารวมนะถ้าทวารตาก็ทวารตาก็เน้นที่จกักรควัตถุทวารหูก็เน้นที่โสตวัตถุทวารจมูกเน้นที่คานาวัตถุทวารลิ้นก็เน้นที่ เชียวหาวัตถุทวารกายก็เน้นที่กายวัตถุถ้าทวารใจก็เน้นที่หัตยาวัตถุวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดก็คือภาชนะเนี่ยนะถ้าเปรียบนามธรรมทั้งหลายเหมือนกับกับกลองเนี่ยกลองที่มันดังขึ้นมันก็ต้องมีตัวกลองมีไม้ตีกลองเห็นไหม อ, อันนี้ก็สาวไปหาไอ้ตัวตัวกลองอ น, นะเพราะว่าไม้ตีกลองเคาะแล้วเสียงจึงดังขึ้นนี่ก็ย้อนมาหาตัวกลองฉันใดตัวกลองคือตากลองคือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายและ หัตถะตัวนี้เน้นพิเศษไปที่หัตถะรูปว่านามนี้อาศัยอะไรอาศัยหัตถะรูปเหมือนเหมือนอย่างบุรุษพบงูภายในเรือนแล้วเมื่อติดตามมันไปก็จะพบที่อาศัยของมันฉะนั้นหมายค่าว่าผู้ที่เห็นงูเลื้อยอยู่ตามบ้านโดย <c oughs> โดยปกติทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องมีที่อยู่ ที่อยู่ของเขาอะนะอย่างเช่นสมมติถ้าเราเห็นหนูมาวิ่งเป่นผ่านอยู่นะหนูนะนะั้นจะต้องมีมีรังเนี่ยนะจะต้องมีรังหรือมีมีที่อยู่ฉันใดหรือเห็นนกเนี่ยนกที่มันอยู่ข้างบนเนี่ยนะถ้าอยู่บนเพดานมันต้องมีรังของมันมันจึงมาอาศัยอยู่บ่อยฉันใดก็ดีนามธรรมา ท, ทั้งหลายที่มันคิดรับอารมณ์ทั้งหลายมันจะต้องมีที่เกิดมีที่อยู่มีที่เกิดนี่ก็จะรู้ว่าอ า, อาศัยหาทะยะนะหาทะยะ หัยานั้นเป็นรูปที่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกเหต่อจากนั้นก็กำหนดถือเอาภูตรูปอันเป็นที่อาศัยแห่งหัตยาโรปนนเพราะอุปาทัยาูปทุกรูปมีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้งั้นก็ถ้าสาวะวะถ้าพูดแบบพระพุทธเจ้าตรัสก็ง่ายดีก็องตรัสว่าก็วิญญาณทั้งหลายอาศัยกายนี่แหละ เกิดที่กายนี่แหละมันกายคืออะไรกายก็คือที่รวมของมหาพูทธเป็นที่รวมของปฐวีธาตุเตโชธาตุอาโปธาตุวายโยธาต์กายเนี่ยเป็นที่รวมของผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นกายเหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดของของวิญญาณทั้งหลายเป็นที่อาศัยเกิดของจิตทั้งหลายความคิดทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถ้ามองโดยโดย ท, ทั่วไปเนี่ยนะ อะไรก็ได้ที่มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความคุ้นคิดมากนะเป็นที่ตั้งแห่งการคุ้นคิดเป็นที่ตั้งแห่งการสายใจอย่างที่ว่าถ้าเรื่องอะไรเกิดเสียหายภายนอกอเราก็ไม่สู้เดือดร้อนเท่าไหร่ถ้าภายในเดือดร้อนถ้าภายนอกดีเราก็ไม่ดีจากเท่าไหร่ถ้าถ้าภายในดีเราก็จะดีใจมากพันวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความดีใจเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกนึกคิด ก, ก็คือ กายเหล่านี้นี่แหละร่างกายเรานี่แหละทีนี้กายเหล่านี้เป็นที่รวมแห่งดินน้ำไฟและลมดินน้ำไฟลมปฐวีอาโปเตโชและวาโยธาเป็นเหตุใกล้ของหัตยาวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของของนามธรรมของจิตทั้งหลายในหัตยารูปในถามว่าอยู่ในตำแหน่งไหนของร่างกายถ้ากล่าวตามอัตถกถาดีกาท่านถือว่า อยู่ที่ส่วนหนึ่งของหัวใจเนี่ยนะที่หัวใจหาทยยวัตถุไม่ใช่ก้อนหัวใจก้อนหัวใจก็ไม่ใช่หาทยยวะัตถุแต่หาทยยวะัตถุอาศัยอยู่ข้างในหัวใจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็สังเกตดูนะคนที่ที่เครียดมากๆเนี่ยนะโดยมากเป็นยังไงอะไรที่ถูกประทุษรายก็หัวใจนี่ถูกประทุษราย ก็บอกว่าเวลาตกเขาบอกว่าอใจเนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามจะพูดว่าใจนี่มันอยู่ที่สมองวันหลังถ้าใครบอกใจอยู่ที่สมองคุณต้องพูดว่าตกสมองวันนี้ใช่ไหมอย่าบอกว่าตกใจใช่ไหม <c oughs> พูดได้ไหมอย่างงี้นะโอ้ยวันนี้ตกสมองมากเลย <c oughs> เห็นนะแก้วตกเลยตกสมองนะเขาก็ไม่ค่อยพูดแบบนั้นนะเขาพูดตกใจภาษาทางธรรมะนั้นถือว่าหัยวะวัตถุนั้นเกิดอยู่ที่ ต, ตัวตัวหัยะหัยะเนี่ยเป็นปัจจัยแต่สมัยใหม่เขาเน้นว่าสมองเป็นเหตุหัวใจเป็นเป็นผลทางธรรมะเราถือว่าที่หัถยะเป็นเหตุแล้วก็สมองเป็นเป็นผลเนี่ยนะถ้าวันหลังใครบอกว่าโอ้ยเสียสมองมากเลยไม่ต้องบอกว่าเสียใจยนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไปไปเปลี่ยนระบบคำให้หมดถ้าถ้าถ้าจิตมันอยู่ที่สมองหมดก็เปลี่ยนคำให้หมดเลยนะ เปลี่ยนให้ใหม่ให้หมดเลยให้มันสอดคล้องกันไงจะได้ไม่ขัดกันเดี๋ยวก็บอกว่าอะไรนะสมองของผมเนี่ยคิดแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะก็ว่าให้ใช้สมองให้หมดเลยแต่ทางธรรมะนั้นถือว่าต้นเหตุนี่อยู่ที่หัตยะอยู่ที่ใจใช่ไหมเพราะฉนั้นตัวใจตัวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นมีมหาภูตรูปสีเป็นเหตุใกล้หนะัตยะนไมหาภูตรูปสี่ก็อะไรบ้างธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟและธาตุลม ถ้ามีดินที่ใดมีน้ำที่ใดมีไฟที่ใดมีลมที่ใดที่นั่นเป็นต้องมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาแน่นอนถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวเลยใช่ไหมเพราะว่าที่ใดที่ใดเห็นได้ที่นั่นก็แสดงว่าเบื้องหลังมีดินน้ำไฟลมได้ยินเสียงได้เบื้องหลังก็คือมีดินน้ำไฟลมกลิ่นอยู่ที่ใดเบื้องหลังก็คือดินน้าไฟลมโอชามีอยู่ที่ใดที่นั่นก็มี ดินน้ำไฟลมถ้าที่ใดมีดินน้ำไฟลมที่นั่นก็ต้องมีสีมีกลิ่นมีรสและมีโอชาอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้ทำปริญญาไม่พยายามที่จะนึกแบบนี้ น, นะผู้ที่ฝึกคิดในเบื้องต้นต้องพยายามนึกอย่างนี้ให้บ่อยให้มากถ้าเห็นสีก็สาวไปหารูปอีกเจ็ดรูปที่เหลือหรือถ้ารับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ให้นึกถึงสิ่งที่เหลือให้ได้แล้วก็สาวกันกลับไปกลับมา ถ้าอย่างนั้นข้าสาวไปเนี่ยคิดเมื่อไรนะครับก็จะแสดงว่าที่นั้นมีดินน้ําไฟลมอะไรนะถ้ามีธรรมชาตคิคือคิดเมื่อไรนะครับนั่นแสดงว่าต้องเบื้องหลังก็ต้องมีดินน้ําไฟลมเหมือนกันในปัญจวการภพเนี่ยนะก็ต้องอาศัยว่าเบื้องหลังของคือดินน้ํำไฟลมในปัญจโวการภพนั้นน้ำกับรูปไม่สามารถโดดโดดได้ไม่ได้ มันถ้าที่ใดมีความคิดขึ้นที่นั่นคือขันห้าประชุมกันนะที่ใดมีจิตมีความคิดมีการอะไรก็ตามเธอรับอารมณ์อะไรก็ตามที่นั่นมีทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและเวิญนญาณในที่นี้เนี่ยท่านจะสาวให้เห็นเป็นขันห้าเมื่อสาวเป็นขันห้าเนี่ยเบื้องแรกผู้ที่เจริญสมถะโดยมากอารมณ์เป็นบัญญัติันไอไอตัวอารมณ์นั้นมันไม่ใช่ขันมันเป็นขันทวีมุตมันไม่ใช่ขันห้า เมื่อไม่ใช่ขันห้าที่จะสาวว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกับรู ป, ปรขันอย่างไรนามธรรมา ท, ทั้งหลายอาศัยรู ป, ปรขันได้อย่างไรก็อาศัยโดยโดยวัตถุเนี่ยนะอาศัยโดยวัตถุไม่ได้อาศัยโดยอารมณ์เดียพอสาวไปหาหายัยะคือรูปที่อาศัยที่ใดมีรูปอาศัยที่นั่นจะต้องมี1ิบรูปแน่นอนถ้าสาวหัยะขึ้นมาหนึ่งหััยเหตุใกล้ของหััยก็คือดินน้ำไฟลม เนี่ยนะวีอาโปเตโชวาโยบวกคาทยเป็น5รูปหรูปแล้วนะที่ใดมีดินน้ำไฟลมที่นั่นต้องมีสีมีกลิ่นมีรสและมีโอชาบวกอีกสี่เป็นเสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเกิดจากกรรมเมื่อเกิดจากกรรมกรรมเขาสร้างรูปอีกรูปหนึ่งมาให้รักษารูปเหล่านี้คือชีวิตชีวิตเป็นเครื่องรักษาไอ้ชีวิตตัวนี้เรียกว่าอายุก็ได้ชีวิตกับอายุนี่คืออนเดียวกันเนี่ยนะ ก็มีอายุนี่มาเป็นเครื่องรักษานี้พอมีอายุเป็นเครื่องรักษาอย่างนี้แล้วกรมชรูปเหล่านี้อยู่โดโดโดโดโดยที่ไม่มีอาหารชรูปมาอุปธรรมได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมีอาหารชรูปทีนี้อาหารชรูปเหล่านี้เนี่ยน ะ, ะจิตตะชรูปก็วัตถุเหล่านี้เป็นที่อาศัยเกิดของจิตตชรูปจิตในอุปาทณะเวนทวิปัญจเนี่ยนะจิตเหล่านี้ก็เป็น ในอุปาทขณะเป็นนิสยาปจจัยให้แก่รูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยเกิดขึ้นสรุปได้รูปกี่สมุทฐานนะหนึ่งตัวตัวหัทยะเนี่ยนะหัยะทักะเกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานทีนี้รูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานนี้กลุ่มหนึ่งทีนี้ก็ต้องมีรูปที่มามาอุปถัม์คืออาหารชรูปอาหารชรูปก็เป็นสองกลุ่มที่เป็นอาหารชรูปเข้าไปหล่อเลี้ยง นี่อย่างที่สามจิตเมื่อเกิดขึ้นก็ทํารูปให้เกิดขึ้นจิตเหล่านั้นเนี่ยทาจิตแตชรูปก็ได้รูปสามรูปใช่ไหมรูปเหล่านี้เมื่อแปรสภาพไปก็จะกลายเป็นอุตุชรูปก็กรรมชรูปจิตแตชรูปอุตุชรูปและอาหารชรูปฉะนั้นก็กระจายออกมาเป็นอย่างนี้ในบรรดารูปเหล่านี้บางอย่างเรามาบัญญัติเรียกว่าหัวใจอนนเรียกว่าหัวใจเส้นเลือดต่างๆเนี่ยนะ เป็นหัวใจห้องที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็หัวใจเหล่านี้อาศัยพังผืดมาหุ้มแล้วก็มีเลือดเป็นที่สูบฉีดแห่งเลือดแล้วก็ปั๊มออกไปทั่วร่างกายกระจายไปทั่วนี่ถ้ากระจายออกไปอย่างนี้ก็อวัยวะทั้งหลายก็เข้ามาละเพราะว่าเลือดนี้ก็ไปเลี้ยงถึงรากผมไหมถึงไหมก็ถึงเนาะก็ไล่ไปที่ผมขนเล็บฟันหนังก็ไล่ามาเหอะมันก็สัมพันธ์กลายเป็นโครงรูปทั้งหมดเลยก็จะเป็นรูปรูปเหล่านี้เป็น รังของนามธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเป็นรังของนา ม, มารมคือถ้ามองใครเคยเห็นรังมดแดงบ้างเช่นเอาใบมะม่วงใบมะม่วงเนี่ยมาหอ่อห อ, หอรวมกันรวมกันว ม, มดแดงก็วิ่งเข้าวิ่งออกเต๊มนั้นไปหมดฉันใดกายนี้ก็เหมือนกันนะจิตถ้ามันมองเป็นรูปธรรมเหมือนมดแดงใส่มันยุบยับยุบยับเต็มไปหมดเลยนะไม่รู้จะเป็นลักษณะไหนไม่ทราบมันยุบยับยุบยับเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีแบ่งเป็นสองส่วนนะคือมดแดงกับลังมดแดง นี่ก็เหมือนการมองเป็นในส่วนของจิตกับส่วนของรู ป, ปรธรรม อ, อย่าลืมว่าการวิจัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเพื่อการกระจายที่สุดเท่าที่จะกระจายได้ น, นะวัตถุประสงค์ของการพูดถึงสิ่งเหล่านี้คือต้องการกระจายมันถ้าการฟังสิ่งเหล่านี้ถ้าเราฟังแล้วกระจายไม่เป็นเราจะโยงไปหาปัจจัยไม่ได้เมื่อโยงไปหาปัจจัยไม่ได้มันมันก็มันคิดอะไรไม่ได้ เมื่อคิดอะไรไม่ได้ก็ได้อยู่อย่างเดียวว่าน่าเบื่อเนีน่ยนะก็ปัญญาก็เลยหดกลับเลยกันนี้สรุปว่ารูปเป็นที่อาศัยของนามธรรมทั้งหมดจะโดยวัตถุก็ตามโดยอารมณ์ก็ตามรูปเหล่านี้ทั้งหมดมีลักษณะเหมือนกันคือธรรมชาติที่แตกสลายหรือย่อยยับออกไปพัน ก็เป็นที่น่าสังเวชว่านามาทําทั้งหลายตัวความคิดแหมดูมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะเช่นมานะมันเกิดมันยิ่งใหญ่มากใช่ไหมอาศัยรูปที่สลายไปเกิดอย่างเงี้ยน่าเศร้าเหมือนกันนะทำเป็นยิ่งใหญ่มากเลยนะแต่เดี๋ยวก็รูปพอรูปมีปัญหากันนะโทสะนี่มันเหมือนกับใครรู้จักข่าน้อยไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วหัวใจกําเริบอะไรเกิดขึ้นนะฟอเลยนะก็ร่างกายเนี่ยเป็นจิตเนี่ยนามาทำนะจะเป็นมานะเป็นโทสะเป็นอะไรก็ตามเป็นบาปอกุศลชนิดใดก็ตาม มันก็ต้องพึ่งพิงที่รูปถ้ารูปหมดสภาพเป็นยังไงอืก็ก็น่าเห็นใจมากเลยนะตัวนามธรรมเนี่ยนะนามธรรมนะเป็นตัวที่เรียกว่ามันอยู่ที่รู ป, ปรธรรมนะมันจะสมมตินามธรรมจะโสมนัสขึ้นมานะถ้ารูปวิบัติเมื่อไหร่นะจะให้ทํายังไงยิ้มสิลูกยิ้มสิป่วยๆนะไปบอกให้คนป่วยยิ้มสิเกือบจะผ่าตัดอยู่แล้วลงขึ้นเขียงแล้วผ่ากรีดไปตั้งสี่ห้าแผลยิ้มหน่อยนะ ทำใจดีๆเข้าไว้เขาทำอย่างนั้นได้ไหมยากเต็มทีเนี่ยนะถ้ารูปเหล่านี้เป็นอย่างนี้เนี่ยนะก็สรุปว่านามน้อมไปรู้อารมณ์รูปธรรมชาติที่สลายเนี่ยนะธรรมชาติที่สลายไปตัวรู้อารมณ์กับตัวสลายมาคู่กันอย่างนี้เรียกว่านามกับรูปนามกับรูป ต่อจากนั้นไปก็กำหนดนามรูปโดยสังเกตว่าธรรมชาติที่มีความน้อมไปเป็นลักษณะเป็นนามธรรมชาติ <perform> ที่มีความย่อหยับไปเป็นลักษณะเป็นรูปเนี่ยนะอย่างสมมติท่าไล่ทีรทวารเ น, นี่ยนะธรรมชาติที่น้อมไปรับรู้อารมณ์ทั้งหลายเป็นนามสิ่งที่ถูกรับรู้ทั้งหมดวัตถุที่อาศัยให้รับรู้เป็นรูปเพราะธรรมชาติที่สลายธรรมชาติที่สลายตาก็สลายรูปก็สลาย นามที่อาศัยตากับรูปนั้นจะไม่สลายเลยหรือใช่ไหมแล้วก็อย่างเช่นหูก็หูก็เป็นรูปใช่ไหมเสียงก็เป็นรูปหูกับเสียงเป็นธรรมชาติที่สลายไปเพราะวิโรธที่ปัจจัยแล้วนามที่อาศัยหูล่ะถวามาอีกครั้งหนึ่งว่าการพิจารณาสิ่งนี้เราพิจารณานามรูปต้องการยึดถือนามรูปต้องการแบกหามนามรูปใช่ไหมไม่ใช่เพราะนั้นการวิเคราะห์ทุกอย่างเนี่ยคือต้องการหาความเลวร้ายของนามรูป มันเร็วมากแต่ว่าเราก็ถือว่ามันสิ่งนี้ดีมากชื่นชมมันมากแม้มันป่วยนะัก็หวังว่ามันจะหายเอนามรูปเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งสารพัดบาปสาราพัดอกุศลเป็นที่ตั้งแห่งความถือตัวเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งมัคคะปราสะเป็นต้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งสาราพัดบาปประธรรมจริงๆอาศัยนามรูปเหล่านี้มันก็วิจัยนามรูปเหล่านี้เพื่อต้องการเพิก เพิ่อะไรเพิ่ความลุ่มหลงในานามรูปเหล่านี้ต้องการที่จะเลิกเข้าใจผิดว่ามันดีสักทีหนึ่งนะเลิกเข้าใจผิดว่านามรูปนี้ดีเหลือเกินเช่นเวลามองเห็นนะเราก็ว่าตาเรานี่เยี่ยมนะใช่ไหมชื่นชมว่าตาเรานี่ดีนะที่ได้เห็นสีก็ดีหูก็ดีเสียงก็ดีนะพันหูดีเสียงดีแต่ถ้าบอกว่าตาก็สลายรูปก็สลายแล้วการเห็นจะไม่สลายหรือ หูก็สลายเสียงก็สลายเพราะเป็นรูปธรรมชาติของรูปก็สลายแล้วการได้ยินเสียงไม่สลายหรือเนี่ยนะนั้นธรรมชาติที่เกิดการเกิดเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสโดยอาศัยรูปที่มีความสลายไปเป็นธรรมดาแล้วนะนามที่เข้าไปไปคิดอะไรทั้งหลายและเนี่ยมันจะไม่สลายเลยหรือคือการพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะเห็นชัดอย่างหนึ่งว่าลดบาปอากุศลความสําคัญตัวขึ้นทันที เพราะผู้ที่กุศลจิตเกิดมากโดยเฉพาะผู้ที่มีฌานทั้งหลายะนะมีปิยรูปสาตรูปชั้นดีคือมีนามธรรมาชั้นดีประเภทสุขเวทนากลมเหล่านี้โดยมากมานะมันมีกำลังนะนะก็อะไรก็ตามนะถ้ามีดีอยู่ในตัวในะในใจเราเนี่ยมีอะไรก็ได้จะเป็นที่ตั้งแห่งมานะหมดเลยเช่นได้สุขเวทนาก็เป็นที่ตั้งแห่งมานะ มีอะไรมีสังขารขันเอาขันทั้งปวงเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งมานะเช่นเกิดมาไม่มีทุกขกายวิญญาณเลยมานะไหมก็เป็นนั้นสรุปว่าการพิจารณาเหล่านี้บอกว่านามทั้งหลายที่น้อมไปรู้อารมณ์เนี่ยอาศัยรูปคือภูตรูปและอุปาทายรูปที่มีความสลายไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะมาให้ค่าให้ความสาคัญกับ ต, นะตัวความคิดเนี่ยนะตัวความคิดเนี่ยนะ เพราะคนเราเนี่ยจริงๆมันแบกมากเลยนะแบกความคิดมากว่าถ้าฉันคิดแล้วมันใช้ได้เลยอ่ะไม่รู้ว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นความคิดของฉันนะมันดีหมดะนะให้ความสําคัญให้ค่ากับความคิดมากยิ่งคนที่บอกว่ายิ่งมีความคิดแม่นยําหน่อยนะคนเหล่านี้จะเชื่อมากแต่ถ้าคนที่เปลี่ยนแปลงความคิดบ่อยๆก็ไม่ไม่สู้สักเท่าไหร่แต่คนที่เจริญกุศลธรรมเจริญฌานทั้งหลายเนี่ยให้ค่ากับความคิดมากยึดถือตัวความคิดมากยิ่ง ความคิดที่เป็นสงบสงบหน่อยนะเป็นจิตที่สงบสงบหน่อยก็จะให้ข้าแบกยึดถือความคิดเหล่านี้มากแล้วรูปทั้งหลายที่เป็นวัตถุของจิตเหล่านั้นเนี่ยนะมันไม่เที่ยงมันไม่ยั่งยืนมันไม่ดีจริงเนี่ยจะไปให้ข้าอะไรมันมากมายนะต่อตอนโลกของนามธรรมเนี่ยนะอันนี้เป็นวิธีการพิจารณาในที่หนึ่งของผู้ที่กำหนดนามรูป ที่พื้นฐานมาจากการเจริญอะไรนะสมถะและกุลบุตรผู้เจริญเมตานั้นไม่เข้าไปอาศัยทิฏฐิเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะนำความยินดีในกามทั้งหลายออกได้แล้วย่อมไม่ถึงความนอนในคันอีกโดยแท้แหลนะคนที่เจริญเมตตาเนี่ยนะโดยโดยมากเมตตาเนี่ยนะโดยมากมีอะไรเป็นอารมณ์ มีสัตว์เป็นอารมณ์มีปิยมนาปะสัตว์เป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นก็มองว่าตัวเองนี่เป็นบุคคลที่น่าน่าปรารถนาน่าพอใจคิดให้ตัวเองมีความสุขคิดให้ผู้อื่นมีความสุขอนุภาพของสัตตสัญญานี่ค่อนข้างมีกำลังเพราะฉะนั้นจะต้องมากับพยามหมั่นกำหนดในนามรรปทั้งหลายหมั่นใส่ใจว่ า, าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นสัตว์เหล่านั้นก็คือนามกับ รูปเนี่ยนะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสำคัญว่าสัตว์นั้นคือนามรูปกรรมฐานทุกๆชนิดเลยนะที่จะเจริญที่จะพิจารณาเนี่ยให้รู้เถอะว่าตัวจิตที่เป็นกรรมฐานเหล่านั้นอาศัยวัตถุคือรูปอารมณ์ก็เป็นบางก็แล้วแต่นะโดยมากก็เป็นบัญญัติบ้างเป็นปรมาตร์บ้างทีนี้สิ่งเหล่านี้บางท่านก็ห่วงว่าเออนี่มันบัญญัติทั้งนั้นเลย นะการคิดอย่างนี้มีแต่ชื่อมีแต่เรื่องราวมีแต่บรรยัติก็บอกไม่ต้องห่วงคิดอย่างนี้ไปเถอะคิดไปแล้วบางเรื่องมันจะเข้าใจเองเนี่ยนะนะเพราะว่าถ้ายังยังอยู่ในขอบเขตของคำสอนอยู่นะไม่น่ากลัวแต่น่ากลัวก็คือเมื่อหลุดจากคำสอนไปแล้วถ้ายังอยู่กับคำสอนเดี๋ยวความเข้าใจจะค่อยๆเพิ่มเองนะลหลายๆท่านเนี่ยนะจับวิสุทธิมรรคมเดียวกันเนี่ย เมื่อหลายๆปีที่แล้วกับตอนนี้ก็คิดคนละอย่างเลยใช่ไหมแต่ว่าพยัญชนะเหมือนเดิม <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นมันก็ขอให้ยังอยู่ในพยัญชนะเหล่านี้อยู่ก็ยังใช้ได้ความคิดมันจะเข้าใจมากเข้าใจน้อยก็ไม่เป็นไรสะสมไปก็แล้วกันเพราะว่าสวากขาโตพระวาตาธรรมโมพระธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมันเราทํำยังไงที่จะคิดจนเข้าใจในสิ่งที่ที่ท่านพยายามอธิบาย ให้เรารู้เนี่ยน ะ, ะตัวทิฏฐิวิสุทธิ์ทีครั้งแรกเลยนะก็คือหมั่นเข้าไปวิจัยโดยความเป็นนามกับเป็นรูปทําไมท่านจึ ง, จงย่อลงมาให้เหลือแค่นามรูปถ้าทุกอย่างถ้ามองให้ทุกอย่างเป็นนามรูปดีจริงทําไมพระไตรปิฎกไม่แสดงแค่ทุกกะเดียวคือนามรูปทุกกะพอละ ไม่แสดงโดยประการเป็นอย่างอื่นเลยทำไมนั่งคำถามอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นอะไรให้คิดลงเป็นนามเป็นรูปเลยนะจิตเกิดขึ้นเออเป็นนามเนี่ยอาศัยวัตถุอย่างนี้เป็นรูปก็สอนให้หมดเลยพระไตรปิฎกก็คือนามรูปให้หมดเลยดีไหมอย่างนี้ดีไหมไม่ดีทำไมจึงไม่ดี ถ้าดูตามวิสุทธิมรรคทั้งเล่มมาแล้วเนี่ยนะไอเล่มก่อนเนี่ยมันจำแน ก, กว้างซะจนจำแนกจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยมันมันยอะไปหมดเลยท่านก็บอกเอาเหลือเอางี้นะมาทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยคือนามรูปก่อนนะคือคือทางธรรมะเนี่ยเป็นลักษณะว่าขยายให้พิสดารมหาพิสดารขนาดไหนก็ได้ย่อมาให้เหลือขนาดไหนก็ได้อย่างรูปเรานะรูปของเราเนี่ยจะย่อลงมาให้เหลือนเท่ากับหลังเล็บได้ไหม รูปของพวกเราและขยายให้มันใหญ่โตเท่าจอหนังได้ัหมได้แต่ว่าถ้าย่อขยายแล้วยังเป็นคนเดิมอยู่ไหมมันควรจะเป็นคนเดิมใช่ไหมถ้าเป็นภาพย่อขยายใช่ไหมมันควรจะเป็นภาพคนเดิมฉันได้ก็ดีถ้ามองตามวิสุทธิมาร์กเนี่ยเล่มก่อนเนี่ยขยายนามรูปพิสดารมากอะไรบ้างอะขันอายตนะธาตุสัจจะอินย์ปฏิจจสมุบาทปจัจใจยี่สิบสี่ด้วยนะ พูดเสมือนก็ว่าโอ้โหยนเราไปลงในไปทะเลนะจนนึกไม่ออกว่าโอ้มันอะไรเป็นอะไรเนาะท่านก็เลยไม่ย่อให้เหลือเป็นเป็นนามเป็นรูปแต่อยากคิดนะว่าไอ้ที่ท่านพูดไว้ก่อนหน้านี้ท่านจะทิ้งไม่ไม่ทิ้งหรอกอนะเดี๋ยวท่านก็จะพูดกลับไปกลับมาเพราะให้เราคิดทั้งแบบย่อและคิดทั้งแบบพิสดารไปเจอข้อความในจริยาปีดกเนี่ยนะในจริยาปีดกที่กล่าวถึงว่า กบฏ ท, ทั้งหลายผู้ปรารถนาจะบําเพ็ญบารมีนไผู้ปรารถนาจะบําเพ็ญบารมีถ้าปรารถนาจะบําเพ็ญศีลบารมีให้บริบูรณ์ศึกษาแนวทางในการบําเพ็ญศีลบารมีจากวิสุทธิมรรคศีลนิเทศถ้าผู้ปรารถนาจะบําเพ็ญเนคขมะบารมีให้บริบูรณ์ก็ดูสมาธินิเทศในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะถ้าปรารถนาจะบําเพ็ญปัญญาบารมีให้บริบูรณ์ก็ดู ปิเนี่ยวิสุทธิมัคปัญญานิเทศนั้นปัญญานิเทศเอ่อสีลสมาธิปัญญาหรือสีลนิเทศจิตานิเทศสมาธินิเทศปัญญานิเทศเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการศึกษาเพื่ออบรมสีลบารมีเนเข ม, มบารมีและปัญญาบารมีถ้ามีสีนสมาธิปัญญาอยู่บารมีที่เหลือเป็นอันได้ครบแล้ว เพราะใครที่ให้รักษาศีลอยู่ได้นะแสดงว่าคนนั้นมีขันติวิรยิยะสัจจคันติเมตตาอเาุเบกขาถ้าใครมีเนคขมมะเจริญกรรมฐานอยู่แสดงว่ามีวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอเาุเบกขาถ้ายังมีการอบรมปัญญาอยู่ก็ยังแสดงว่ามีมีศีล ม, มีสมาธิมีวิริยะขันติสัจจะเมตตาและอุเบกขาอยู่ถ้าขาดคุณธรรมเหล่านั้นไม่สามารถที่จะอบรม การยาเหล่านี้ไปได้รอดถ้าขาดคุณธรรมเป็นเครื่องอุดหนุนเหล่าเอินเหล่าเอินมาเนี่ยก็ยากดังั้นการพิจารณานามรูปทั้งหลายอันนี้เป็นการย่อความแต่ของเราเรียนเรียนรัดมานะคือก่อนหนะ น, น้านี้ท่านแสดงเรื่องขันอายตนะธาตัสจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาหพิสดารมามากก็เลยให้มามาม า, มาคิดในการชีวิตที่เป็นจริงว่าชีวิตที่เป็นจริงที่มันคว้างมันอะไรมันดูเยอะแยะไปหมดเลย คนุณเอาจับหลักให้เหลือแค่สองอย่างก่อนนะให้เหลือแต่เพียงนามกับกับรูปถ้าไม่เอาเป็นนามเป็นรูปเนี่ยเวลาเราเห็นใครปั๊บเนี่ยนะไม่รู้จะ ก, กำหนดว่ายังไงนะแล้วค่อยๆเอานามรูปเนี่ยมาขยายต่อไปแต่นามรูปนั้นเป็นคำที่ตรงๆแล้วพยัญชนะในพระไตรปิฎกใช้ไม่มากถ้าเทียบกับขันถ้าเทียบกับขันเนี่ยขันเนี่ยแสดงมากแต่ขันห้านั้นย่อลงมาก็าเหลือนามรูป สรุปว่าขันเนี่ยนะถ้ายออ่อนามธรรมทั้งหลายเนี่ยถ้ายอ่อลงมาก็เหลือสองอย่างคือในส่วนของนามและรูปถ้าเหลือหนึ่งได้ไหมอะไรภาษาภาษะหรือสัพเพสตาหารถิติกาทำสองก็คือนามรูปถ้าสมเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสามถ้าสดํดำรงอยู่ด้วยอาหารสี่ถ้าห้าก็คือขันห้าถ้าหก็เป็นอายตนา6ถ้าเจ็ดก็แบ่งตาม ปฏิสนธิวิญญาณเจ็ดถ้าเป็นเป็นแปดก็เป็นไปกับโลกธรรมแปดถ้าเป็นเก้าสตวว่าเก้าถ้าเป็นสิบอายตนะสิบถ้าเป็นสิบสองอายตนะสิบสองถ้ากระจายออกเป็นสิบแปดก็เป็นถ้าสิบแปดเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคําว่านามรูปปับ๊บหนึ่งถึงสิบแปดนี้ถือว่ารู้กันเนีย่ยนะเพราะว่าอันนี้พูดแบบโยโซ่หน่อยนะให้เหลือแค่คําว่านามกับคําว่ารูปแต่ไม่ใช่คําว่านามคําว่ารูปสมบูรณ์ที่สุดในโลก ดีที่สุดในโลกไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้พูดต า, ตามว่าธรรมะนั้นควรจะแสดงทั้งแบบย่อและแบบพิสดาร น, นี่นะเพราะในคัมภีร์ทั่วไปก็มีพูดอยู่แต่ไม่ถึงกับมากนะักถ้าเทียบกับขันอายตนะธาต น, นะปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเป็นคำที่แสดงมากคำว่านนามรูปก็แสดงอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนะักแต่ทีนี้สำหรับอย่างที่ว่าท่านเรียบเรียงเพื่อ คัมภีร์นี้เป็นการเรียบเรียงเพื่อให้คนไม่มีปัญญาจะได้มีปัญญาท่านก็จะแสดงทั้งแบบย่อและแบบพิสดารเรียนไปกว้างขวางมากเท่าไหร่ก็สรุปเรื่องไม่เป็นเอานี้สรุปเหลือแค่นามรูปนะแล้วค่อยกระจายนามรูปต่อไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกระจายไปกระจายมาสรุปว่าไอของเก่าพูดดีแล้วเ็นไหมมาดวูวิธีที่สองในข้อ6 6 4 ถ้าเป็นวิปัสนาญาณิกะล้วนๆเนี่ยนะฉันไม่เอาละสมถะมันชอบจะเอาแต่วิปัสนายอย่างเดียวเอาๆจะให้อย่างนั้นก็ได้ตามใจขอให้เอาจริงเถอะแค่นั้นแหะส่วนพระโยคาวจรผู้เป็นวิปัสนาญาณิกะเนี่ยนะล้วนอันนี้แปลว่าผู้ที่ปฏิบัติโดยไม่เจือด้วย ไม่เจอด้วยอะไรไม่เจอด้วยสมถะเห็นไหมเคยหมายคือว่าพวกเจริญธาตุสีเนี่ยนะขึ้นต้นเจริญธาตุสีเลยก็ได้หรือเอาแต่สมถะล้วนๆก็ได้หมายว่าเบื้องหลังอาจจะ ก, ก่อนหน้านี้เจริญสมถะมาก่อนก็ได้ หรือไม่เคยเจริญสามาถะมาก่อนเลยก็ได้กําหนดท่าศีก่อนพูดง่ายๆว่าคนที่จะกําหนดท่าศีเนี่ยอาจจะได้สามาถะอื่นๆมาก่อนก็ได้หรือไม่เคยเจริญกรรมฐานอื่นมาก่อนก็ได้นับหนึ่งด้วยการกําหนดท่าศีเนี่ยนะด้วยการกําหนดท่าศีก็กําหนดท่าศีโดยสังเขตหรือโดยพิสดารสังเขตเป็นยังไง แสดงแบบย่อๆย่อเป็นยังไงย่อย่ย อ, ยอแค่ไหนยอ่อสูตรไหนที่พระพุทธเจ้าแสดงการกําหนดท่าสี่แบบย่อ ๆ, ๆสติประธานสูตรเนี่ยนะแสดงการกําหนดท่าสี่ย่อที่สุดนะในสติประธานสีเนี่ยพระองค์สอนว่ายัางไงก็บอกว่าพึงพิจารณากายนี่แหละตามที่ตั้งอยู่ตามที่ทรงอยู่มันกายนี่มันตั้งอยู่ยังไงบ้าง ทรงอยู่ยังไงก็ตั้งอยู่ด้วยอิริยาบถสีทรงอยู่ด้วยอิริยาบถสีกายตามที่ตั้งอยู่ตามที่ทรงอยู่นี่แหละมาจำแนกว่าปัทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุเนี่ยนะพรองคก็เปรียบเทียบอุปมาว่าเหมือนอย่างว่าคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญ ฆ่าโคแล้วก็พึงแบ่งออกเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางสี่แพร่งฉันใดนะก็ของเราก็ผ่านตลาดกันมาบ่อยนะแขวนกันระยงระยางตามข้างๆ้างถนนเนี่ยนะเขคงเคยเห็นนะพอเขาฆ่าโคเสร็จเนี่ยนะเขาก็เอาเนื้อมาแขวนไม่เอาโคมาแขวนเนะี่้เนื้อกับโคต่างกันตรงไหนต่างหรือไม่ต่างเอาทําไมบอกว่าเชิญซื้อโค แต่บอกว่าขายเนื้ อ, อ <c oughs> ถ้าพูดถึงคำว่าโคเป็นคำรวมๆใช่มที่ยังไม่มีการจำแนกอะไรเลยแต่ถ้าพูดคำว่าเนื้อหมายถึงว่าได้รับการจำแนกได้รับการชำละมาแล้วเนี่ยนะชันใดก็ดีถ้าพูดถึงคำว่าคนพูดถึงคำว่าสัตว์แสดงว่า ยังไม่มีปัญญาเข้าไปชำละอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยมองเห็นเป็นแท่งทึบเป็นทึบๆเหมือนกับอะไรเหมือนกับที่เห็นเนี่ยแบบเนี้ยแบบที่เห็นเห็นเนี่ยเห็นแล้วไม่ไม่จำแนกเลยก็ต้องมาแจว่าจำแนกให้เป็นธาตุสี่นะว่า น, นี้ปฐวีธาตุก็สภาวะที่แคนแข็งที่มีอยู่กายเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้เป็นปฐวีธาตุ ไอ้ที่เออบอาบที่อยู่ในกายนี้เกาะกลุ่มที่อยู่ในกายนี้เป็นอาโปธาต์ที่ย่อยสลายเนี่ยนะที่ทำให้ย่อยที่ทําให้สลายในกายนี้เป็นเตโชธาต์ที่พัดที่ทรงเอาไว้ที่ห่อหุ้มทรงเอาไว้ก็เป็นวายโอธาต์เพราะฉะนั้นอธิบายว่าเปรียบเหมือนว่าคนฆ่าโคผู้ฉลาดหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดที่เขาจ้างเอาไว้ด้วยอาหารและค่าจ้าง ค่าโคแทงโคแล้วก็พึงทําเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพ่งหรือที่กลางทางใหญ่อันเป็นแยกไปสู่ทิศทั้งสี่ฉันใดนะถ้าใครมาเนี่ยถ้ามาเส้นตรงนี้นะเวลาจะเลี้ยวขวาเออมาทางนี้เลี้ยวอะไรเลี้ยวขวาใช่ไหมถ้าหันเหลือบตาไปดูทางซ้ายจะมีเนื้อห้อยอยู่เนี่ยนะนะก็ดูอย่างนั้นนะ่ะตรงนั้นก็กี่แยกดิตรงนั้นก็ถือว่าสามแยกกันแล้วกันนะ ก็บางแห่งก็มีนะที่ที่แขวนเนื้อแต่ประเทศไทยนี่มีเยอะนะถ้าเป็นแถวแถวอีสานเนี่ยนะแถวแถวภาคอีสานเป็นภาคที่มีแขวนเนื้อมากในตามแถวทามสามแยกแถวทางสี่แยกทั้งหลายภาคเหนือก็พอมีอยู่บ้างภาคใต้นี่ไปแล้วไม่ค่อยเห็น น, นะไม่ค่อยเห็นอาจจะไปไม่ถูกเวลาก็ได้แต่ว่าถ้าภาคอืนอ่นๆนี่จะมีพวกเนื้อห้อยอยู่นะแต่ถ้าเป็นเข้าไปในร้านพวกร้านค้าร้านขายอะไรนะ ขายอาหารเนี่ยนะขายอาหารก็จะมีเนื้อแขวนแขวนแข ว, น, ขวนไว้ใช่ไหม